สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครั บ, รบผมนายทรกรคนชอบเล่าวันนี้ผมมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพ่อแก่ฤศีมาเล่าให้ฟังครับคิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินหรือได้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับฤศีกันมาบ้างแล้วเพราะในละครประเภทจกักจักวงวงของเราส่วนใหญ่ก็ต้องมีตัวละครที่เกี่ยวกับฤศีกันแทบทุกเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีวรรคดีของท่านสนทรผู้ ก็ยังมีฤาษีไปเป็นหนึ่งในตัวละครของท่านในประเทศแถวนั้นเชื่อว่ามีฤาษีอยู่มานานแล้วครับดังมีตำนานมีเมืองหลายเมืองที่ฤาษีเป็นผู้สร้างเช่นนครลำพูนหรือหริภูนชัยว่ากันว่าฤาษีสร้างแล้วก็ให้คนไปอัญเชิญพระนางจามเทวีขึ้นไปปกครองหรือเมืองศรีสัชนาลัยก็ว่าฤาษีสร้างเช่นเดียวกันกับเมืองพิษณุโลก ฤๅษีในเมืองไทยจากตำนานหลายเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครับตามความเข้าใจของคนไทยส่วนใหญ่เกี่ยวกับฤๅษีก็คือนักพรตซึ่งสละแล้วซึ่งบ้านช่องและออกไปบำเพ็ญพรตอยู่ตามป่าเขาเลาเนาวไพรแสแงหาความสันโดษวิเวกจึงมีคำเรียกคุ้นปากติดปากว่าฤๅษีชีไพรนั่นเองครับฟังดูคุ้นไหมครับและคำว่าฤๅษีนี้ภาษาบาลีว่า อิศหรืออิสีแปลว่าผู้แสแงหาความดีมีความเชื่อกันว่าฤาษีนี้มีเมื่ก่อนสมัยพุทธกาลครับและก็เป็นนักบวชที่นับถือศาสนาพราหมณ์นั่นเองเพราะมีการบูชาไฟซึ่งเรียกว่ากองกูลพิธีมีผู้แปลคำว่าฤาษีว่าผู้มีปัญญาอันได้มาจากพระเป็นเจ้าและศาสนาพราหมณ์ก็ได้แบ่งแยกฤาษีออกเป็นสขั้นครับอันได้แก่ ราชฤาษีได้แก่กษัตริย์ที่ออกบวชเป็นฤาษีพราหมณฤาษีเทวะฤาษีมหาฤาษีฤาษีนี้ถือเป็นพราหมณ์ชั้นสูงของศาสนาพราหมณ์ครับฤาษีของจีนก็มีนะครับเห็นจะอยู่ในรัฐที่เตา๋าโดยในหนังสือเทวะกรรเนิดได้แบ่งแยกฤาษีหรือเซียนเย่งหรือเซียนเตา๋าไว้ห้าจำพวกครับได้แก่เฉียนเซียน คือเทพฤษีอาศัยอยู่รอบเขาพระสุเมรุเซียนเซียนคือบุรุษฤษีเร่ร่อนอยู่ในอากาศเยงเซียนคือนระฤษีอาศัยอยู่ในหมู่คนตี้เซียนคือภูมิฤษีอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างต่างกุยเซียนคือเปรตฤษีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งเร่ร่อนอยู่แต่คําที่ใช้เรียกฤษีนั้นก็มีอยู่หลายคําครับคือ 1. สิธาหมายถึงฤาษีที่ทรงคุณธรรมอย่างมั่นคงมีวิมานอยู่ระหว่างพื้นดินกับพระอาทิตย์ 2. โยคีหมายถึงผู้สำเร็จการศึกษาในโยคธรรมได้แก่พรามที่เที่ยวทรมานตนในป่า 3. มุนีหมายถึงพรามผู้มีความรู้ขั้นสูงเรียกว่าจบไตรเพศคือระคือเวทชุระเวทและสามเวส 4. ดาบทหมายถึงผู้บำเพ็ญตะบะเผาผลาญกิเลสมุ่งไปในทางทรมานกายและจิตหวังโล ก, กุตรสุขที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอตตากิละมัฐานุโยคเป็นวิธีการที่ตึงเกินไปพระพุทธองค์ไม่สนับสนุนให้พุทธบุริษัทย์พึงรมโดยเห็นว่าไม่ใช่หนทางแห่งการตัดสรุหรือหนทางที่จะนำไปซึ่งความหลุดพ้นจากกองกิเลสได้ 5. ชะดินหมายถึงนักรุจจำพวกหนึ่งที่มีผมมุ่นเป็นเชิงหรือเกล้าเป็นมวยสูง 6. นักสิทธิหมายถึงฤาษีจำพวกครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์สถิตยอยู่ในอากาศระหว่างมนุษย์โลกกับอาทิตย์โลกมีจำนวนประมาณ 88,000 ตนสรุปแล้วฤาษีนั้นมีหลายพวกและหลายระดับครับขึ้นอยู่กับท้องถินลันทธิและความเชื่อ ทีนี้เมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับฤาษีพอเป็นสังเขปกันแล้วผมก็จะเล่านิทานตำนานเกี่ยวกับฤาษีให้ฟังกันสัก2เรื่องนะครับเริ่มด้วยเรื่องฤาษีตาบัวก่อนนะครับพ่อแก่ฤาษีตาบัวนั้นเดิมทีเป็นพระสงฆ์ที่ตาบอดทั้งสองข้างครับมีนิสัยชอบเล่นแร่แปรธาจนสามารถทําให้ประหลอดแข็งได้แต่ก็ยังไม่ทันได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็มีเหตุให้ต้องไปทําตกลนฐาน ขอขยายความนิดนึงครับฐานก็คือส้วมของพระตามวัดครับจะหยิบก็หยิบไม่ได้เพราะตาบอดทั้งสองข้างมองไม่เห็นจึงเก็บเป็นความลับไม่กล้าบอกใครจนวันหนึ่งลูกศิษย์ไปทําธุระที่ฐานสายตาก็มองไม่เห็นแสงเรืองๆจมอยู่ใต้ฐานก็แปลกใจกลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังเมื่อหลวงตาได้ยินก็ดีใจบอกให้ลูกศิษย์พาไปแล้วสั่งว่า ถ้เห็นแสงเรืองๆตรงไหนก็จงจุ่มมือลงไปตรงนั้นและหยิบของที่เรืองแสงขึ้นมาจะเลอะเทอะสกปรกอย่างไรก็ช่างมันนะจะเต็มใจไม่เต็มใจอย่างไรลูกศิษย์นั้นก็ต้องกลั้นใจทําตามที่อาจารย์สั่งหลังจากที่ล้วมือลงไปหยิบมาแล้วก็จัดแจงล้างน้ําให้สะอาดอย่างดีแล้วมอบให้หลวงตาหลวงตาก็อบรอดที่ได้มากลับคืนมาแช่ไว้ในโถน้ําพึ่งที่ท่านฉัน และไม่เอาติดตัวไปไหนอีกเลยเพราะกลัวจะหล่นหายอยู่มาวันหนึ่งหลวงตาก็มานั่งคิดลำพึงถึงสังขารของตนว่าเอ๊เราจะมานั่งตาบอดอยู่ทําไมตัวเราก็มีของดีวิเศษก็น่าจะลองใช้ดูนีจึงสั่งให้ลูกศิษย์ไปหาศพคนตายใหม่ๆเพื่อจะได้ควักเอาลูกตามาใส่ตาของตนแต่เมื่อลูกศิษย์ออกไปหาศพใหม่ๆ หายัางไงก็ไม่ได้บังเอิญไปพบศพวัว น, นอนตายใหม่ๆอยู่ตัวหนึ่งเห็นเข้าทีก็เลยควักลูกตาวัวนํากลับมาให้หลวงตาแทนหลวงตาจึงเอาปรลอดที่แช่น้ําพึ่งไว้มาคลึงที่ตาแล้วก็ควักเอาตาที่เสียของตนเองออกมาจากนั้นก็เอาตาของวัวมาใส่แทนและเอาปลอดค่อยๆคลึงตามหนังตาไม่นาน ตาทั้งสองข้างก็กลับเห็นดีเป็นปกติอีกครั้งและหลวงตาก็ได้ลาศึกจากพระเข้าถือเพศเป็นฤาษีจากนั้นจึงได้เรียกกันว่าฤาษีตาวัวเป็นต้นมามีอีกนิดครับมีเรื่องเล่าว่าฤาษีตาวัวกับฤาษีตาไฟนั้นเป็นเพื่อนเกลเอกันครับฤาษีทั้งสองตนนี้สร้างกุฏิอยู่ใกล้กันบนเขาใกล้เมืองสีเท ฤาษีตาไฟมีลูกศิษย์เป็นลูกของเจ้าเมืองสีเทพครับท่านออกจะรักและเอ็นดูลูกศิษย์คนนี้มากมีอะไรก็บอกให้รู้ไม่เคยปิดบังวันหนึ่งฤาษีตาไฟได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเลยไปจากอาสมมีบอ่อน้ำวิเศษอยู่สองบ่อน้ำในบอ่อที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นมีฤทธิ์อนาจไม่เหมือนกันน้าในบอ่อหนึ่งคือบอ่อตาย เมื่อใครเอามาอาบก็จะตายและถ้าเอาน้ำอีบอ่อหนึ่งคือบ่อเป็นมารดก็จะฟื้นคืนมาได้อีกครั้งเมื่อลูกศิษย์ได้ฟังก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ฤาษีตาไฟจึงบอกว่างั้นเดี๋ยวจะทดลองให้ดูก็ได้แต่ต้องให้สัญญาว่าถ้าตนตายไปแล้วต้องเอาน้ำอีกบอ่อหนึ่งมารดให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ลูกศิษย์ได้ฟังก็รับคำฤาษีตาไฟจึงเอาน้าในบอ่อตายมาอาบฉับพลัน ฤาษีตาไฟก็ได้ตายลงจริงๆเมื่อลูกศิษย์เห็นเช่นนั้นก็ตกใจทําตัวไม่ถูกแทนที่จะทําตามที่อาจารย์สั่งดันกลับวิง่งหนีเข้าเมืองไปทีนี้พูดถึงฤาษีตาบัวบัางครับซึ่งเคยไปมาหาสู่กับท่านฤาษีตาไฟอยู่เสมอเมื่อเห็นว่าท่านฤาษีตาไฟหายไปนานจนผิดสังเกตเช่นนั้นก็ชักสงสยัยจึงออกมาจากกุฏิเพื่อไปตามหาผานบ่อน้ําตาย เห็นน้ำในบ่อเดือด ก, ก็รู้ว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่แล้วเดินต่อไปอีกก็พบซากศพของฤาษีตาไฟฤาษีตาบัวจึงตักน้ำจากบ่อเป็นมารดลงบนตัวของฤาษีตาไฟฤาษีตาไฟก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฤาษีตาบัวฟังบอกว่าจะต้องแก้แค้นเจ้าลูกศิษย์ลูกจำเมืองคนนีให้ได้ตลอดจนประชาชนพลเมืองทั้งหมดอีกด้วย แม้ฤาษีตาวัวจะบอกว่าอย่าให้มันดุนแรงถึงขั้นนั้นเลยฤาษีตาไฟก็ไม่ฟังได้เนรมิตวัวขึ้นมาหนึ่งตัวเอาพิษร้ายบรรจุไว้ในท้องวัวจนเต็มแล้วก็ปล่อยวัวกายสิทธิ์ให้เดินขู่คำรามด้วยเสียงดังกึกก้องทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้เข้าเมืองไปแต่เข้าเมืองไม่ได้เพราะทหารรักษาประตูเมืองได้ปิดประตูเมืองไว้อย่างแน่นหนาจวบจนเลยไปเจ็ดวัน เจ้าเมืองเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สั่งให้เปิดประตูเมืองเจ้าวัวกายสิทธิ์ที่คอยอยู่แล้วก็วิ่งปาดเข้าเมืองทันทีจากนั้นท้องวัวมันก็ระเบิดออกมาพิษร้ายก็กระจายพุ่งออกมาทำลายผู้คนทาให้ผู้คนทั้งเมืองตายหมดเมืองสีเทพก็เลยกลายเป็นเมืองร้างตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจากเรื่องที่เล่ามานี้พ่อแก่ฤาษีตาบัวดูใจใจดีกว่าพ่อแก่ฤาษีตาไฟนะครับ และด้วยฤาษีตาวัวเป็นผู้ช่วยให้ฤาษีตาไฟฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นเองทางฝ่ายแพทย์แผนโบราณจึงได้ยกถือเป็นครูส่วนทางฝ่ายทหารก็ยกย่องพ่อแก่ฤาษีตาไฟดังมีมนบทหนึ่งกล่าวไว้ในตำราพิชัยสงครามว่าขอพระศรีสุทัศิ์เข้ามาเป็นดวงใจพระฤาษีตาไฟเข้ามาเป็นดวงตาดังนี้ในตำราเกี่ยวกับพระเวทมนต์คาถาว่าพระฤาษีตาไฟ ได้ให้ยันไว้เรียกกันว่ายันพระฤาีตาไฟถ้าผู้ใดได้พบจะไม่รู้ยากรู้จนเลยตีราคาไว้หนึ่งช่างทองว่าให้ทำยันนั้นใส่ลงในตลับขี้ผึ้งก็ได้แต่ถ้าจะให้ผู้หญิงรักให้เอาใบรักซ้อนขอรูปไปฝังไว้ในป่าช้าสามวันเจวันท่านว่าผู้หญิงนั้นจะอยู่เฉยไม่ได้พระฤาษีตาไฟท่านให้ไว้เป็นทางแก่คนทั้งหลายถ้าจะให้ขุนนางรัก ท่านก็ให้ใส่ลงในใบรักซ้อนแล้วเอามะกรูดส้มปอยใส่ลงในขันสำริดเสกส5บ้าข้าบไปหาคุณนางท่านรักนัดดังจะเห็นว่าฤาษีตาไฟมีความเกี่ยวข้องกับพระเวทมนต์นละคาถาเป็นที่เชื่อถือของคนไทยมาตั้งแต่โบราณยังมีนิทานเกี่ยวกับฤาษีอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วมีตำนานฤาษีหินตนหนึ่ง ตั้งอยู่กลางปา่าไกลจากหมู่บ้านและหนทางที่จะไปถึงก็ธุระกันดารเต็ไมไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายนานาชนิดแต่ทว่าในปากของฤษีหินต้นนี้มีทรัพย์สินเงินทองบรรจุไว้มากมายและวิธีที่จะเอาทรัพย์ออกจากปากฤษีนั้นได้ก็ไม่ยากครับมีวิธีเพียงแต่จะต้องจุดเทียนแล้วเอาไฟลนใต้คางของฤษีฤษีก็จะอ้าปากออกแล้วจากนั้นก็ค่อยล้วงเอาทรัพย์ออกมาได้ แต่หากเทียนดับลงบอไรฤาษีก็จะปิดปากลงทันทีแต่นี่ก็เป็นเพียงคำบอกเล่ากันมาไม่มีใครรู้ว่าฤาษีตัว น, นั้นอยู่ที่ไหนและณเวลานั้นยังมีผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงานกันใหม่เป็นคู่ที่ยากจนหาเช้ากินค่ำแต่เป็นคนขยันหมั่นเพียรและเป็นคนมีน้ำใจอบอ้อมอารีจรึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านและคนที่รู้จักวันหนึ่ง มีขอทานแก่แก่คนหนึ่งมาที่บ้านของผัวเมียคู่นั้นมาขอผ้านุ่งผืนหนึ่งเพราะว่าขอทานนั้นมีผ้านุ่งอยู่ผืนเดียวและก็ขาดกระร่องกระแร่งจนจะปกปิดร่างกายไม่มิดอยู่แล้วผัวเมียคู่นั้นทั้งๆที่ตนเองมีผ้านุ่งอยู่คนละผืนและมีผ้าใหม่ที่เก็บไว้อีกหนึ่งผืนแต่เมื่อมีคนมาขอก็อดสงสารไม่ได้จึงได้ไปเอาผ้าผืนใหม่นั้นมาให้ขอทานคนนั้นไป พร้อมกับพูดว่าลุงครับผมกับเมียเป็นคนจนแต่ก็ยังดูดีกว่าลุงผมมีผ้านุ่งใหม่อยู่หนึ่งผืนนี่แหละที่พอจะให้ลุงได้ผมกับเมียยังแข็งแรงยังทํามาหากินได้ส่วนลุงแก่แล้วจะทำอะไรก็คงไม่ได้ผมยินดีให้ผ้าผืนนี้แก่ลุงครับถ้าหากผมมีมากกว่านี้ผมก็ยินดีจะให้อีกแต่นี่จนใจจริงๆผมมีเพียงแค่นี้จริงๆ ชายขอทานคนนั้นยกมือขึ้นไหว้แล้วให้ศีลให้พรพร้อมกับพูดว่าลุงก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนหลกนะแต่ลุงมีสิ่งหนึ่งจะมอบให้พวกเจ้านะเพราะพวกเจ้าเป็นคนดีโอบอ้อมอารีเสียสละของสิ่งนี้ลุงเก็บไว้นานแล้วแต่เวลานี้ลุงเห็นแล้วว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าได้ก็จงรับเอาไปเถอะเผื่อจะเป็นบุญของพวกเจ้าคงจะค้นหาได้ ว่าแล้วก็ส่งกระดาษเก่าๆให้หนึ่งใบแล้วก็เดินจากไปสองผมมีรับกระดาษแผ่นนั้นมาแล้วก็รีบคลี่ออกอ่านปรากฏว่าเป็นแผนที่แสดงที่ตั้งของฤาษีหินในตำนานนั่นเองอืมสองผมมีรู้สึกดีใจเป็นอันมากจึงจัดแจงหาสเสบียงเพื่อเดินทางไปค้นหาฤาษีหินทันทีทั้งสองเดินรอนแดงไปมาในป่าหลายเพลา ผ่านหุบเขาและผาชันซึ่งเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์สุดท้ายก็มาถึงสถานที่ตั้งของฤาษีหินในกลางดงลึกซึ่งไม่มีใครผ่านมาเลยสองผัวเมียจึงจุดเทียนขึ้นจากนั้นฝ่ายเมียก็เอาเทียนหลนใต้คางของฤาษีทันทีพอคางของฤาษีถูกไฟลนปากก็ค่อยๆ อ, อ้าขึ้นอ้าขึ้นจนกว้างฝ่ายผัวก็รีบเอามือล้วงลงไปในปากของฤาษีทันที เอาเงินและทองออกมาทั้งสองดีใจเป็นที่สุดล้วงแล้วก็ล้วงอีกล้วงแล้วก็ล้วงอีกขณะที่ล้วงอยู่นั่นเองบังเอิญมีลมกันโชคมาอย่างแรงทําให้เทียนดับวูบลงและทันใดนั้นปากของฤาษีก็หูโปงทันทีทําให้มือของฝ่ายผัวนั้นต้องติดอยู่ที่ปากของฤาษีหินแต่ดึงยังไงก็ดึงไม่หลุดไม่สามารถให้มันหลุดออกมาได้สองผัวเมียรู้สึกตกใจมากเพราะไฟที่ติดตัวมาก็หมดลงพอดี ทั้งคู่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจึงไม่ได้เตรียมไฟมาไว้เมื่อทำอย่างไรก็ไม่สามารถจะดึงมือออกจากปากฤุสีได้ทั้งสองก็ร้องไห้อะไรอวร์กันอยู่ตรงนั้นหลังร้องไห้กันอยู่นานแล้วฝ่ายผัวจึงพูดว่าน้องเอ้ยเราต้องเสี่ยงเอานะจะมัวร้องไห้กันอยู่แบบนี้เห็นทีจะไม่เป็นผลดีหรอกน้องจงกลับไปพบบ้านคนแล้วไปขอไฟเขากลับมา แต่ระยะทางที่น้องไปเนี่ยมันก็หลายวันนักกว่าน้องจะกลับมาพี่อาจจะตายเสียตรงนี้ก่อนก็ได้ไหนๆก็ไหนๆจะจากกันแล้วขอพี่ชื่นใจน้องสักนิดนะนะฝ่ายเมียก็เข้ามาโอบกอดผัวแล้วเอียงแก้มให้ผัวหอมให้จูบต่างคนต่างหอมจูบล่ำลากันขณะนั้นเหมือนฟ้าบรรดาลหรือศีหินซึ่งปราศจากชีวิตจิตใจนั้นก็พันหัวเราะก้าขึ้น พร้อมกับพูดว่าแกสองคนนี่รักกันจริงและเป็นคนดีโอบอ้อมมารีกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนมนุษย์ล้วงเอาเงินทองไปอีกเถอะข้ามอบให้สองผัวเมียได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจเป็นล้นพ้นและช่วยกันล้วงเอาเงินเอาทองออกจากปากกระสีจนเพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็ก้มลงกราบกระสีหินล่ําลานําเงินทองกลับบ้าน จนกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆในหมู่บ้านนั้นครอบครัวหนึ่งเป็นไงครับอนุภาพแห่งความรักนั้นบางครั้งก็สามารถฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เหมือนกันวันนี้ก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแกรร่ฤาษีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากท่านใดต้องการจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำได้นะครับหากผมหาข้อมูลได้จะนามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับ สวัสดีครับ